จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ส7เจเมษายนพุทธศักราช 2,560 เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงการานต์พอดีไปตรงกับวันเสาร์ ทางราชการก็เลยให้หยุดวันจันทร์ต่ออีกหนึ่งวันทางชาวพุทธเราเรียกว่าวันกำไรบุญเพราะจะได้มาทำบุญกันถ้าต้องไปทำงานก็จะไม่ได้ทำบุญเราต้องมีเวลาเราถึงจะได้มาทำบุญกันถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่ได้ทำบุญ ถ้าเราไม่ได้ทำบุญหรือทำบุญน้อยกว่าทำบาปชีวิตของเราก็จะขาดทุนเนี่ยชีวิตของเราก็มีบัญชีกำไรขาดทุนเหมือนกับบริษัทบริษัทเขาก็มีบัญชีรายรับรายจ่ายถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็ขาดทุนขาดทุนบ่อย บริษัทก็ต้องปิดเพราะอยู่ไม่ได้เปิดแล้วขาดทุนเปิดไปทำไมเปิดแล้วก็ต้องกำไรชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราต้องมาทำให้มันกำไรเพราะชีวิตของมนุษย์นี่เป็นชีวิตเดียวที่สามารถมาทำบุญมาทำบาปได้มากกว่า เป็นอย่างอื่นถ้าไปเป็นอย่างอื่นนี้จะไม่ค่อยได้ทำบุญกันเป็นเทวดาก็ไปรับผลบุญเป็นเนรชานก็ไปรับผลบาปแล้วก็ไปทำบาปต่อเป็นเปรตเป็นอสุรกายตกนรกก็ต้องไปรับผลบาปไม่มีเวลามาทำบุญเหมือนคนที่ไปติดคุกติดตารางจะไม่สามารถมาวัดมาทำบุญได้ นั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้เราเรีบมาทําบุญกันทําบุญให้มากกว่าทาบาปแล้วเราจะกําไรเวลาตายไปเวลาเหมือนกับรายสัตว์เวลาสิ้นปีเขาก็จะคิดบัญชีถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็ขาดทุนถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็กําไร กำไรก็มีเงินแจกโบนัสให้ลูกน้องไปเที่ยวต่างประเทศกันถ้าขาดทุนก็ไม่มีเงินแจกและอาจจะต้องปลดลูกน้องบางคนเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงไปต้องลดปริมาณค่าใช้จ่ายด้วยการเอาคนงานออกหรือลดเงินเดือนงั้นพนักงานจึงต้องขยันต้องพยายาม หารายได้ให้กับบริษัทมากกว่ารายจ่ายเพื่อที่บริษัทจะอยู่ได้และลูกน้องก็จะอยู่ทำงานได้ mm hmm. ชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราทำบุญน้อยกว่าทำบาปเราก็จะขาดทุนตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบา ตายไปเราก็ไปเกิดในสวรรค์มีสวรรค์ชั้นต่างๆพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็หยุดทำงานกันสักหนึ่งวันแล้วมาวัดมาทำบุญมาละบาป ก, กันเพื่อที่จะ <c oughs> ทำให้บัญชีของเราติดบวกไม่ใช่ติดลบถ้าเราไม่มาวัดกัน เป็นวันหยุดห้าวันนี้ไปเที่ยวกันไปทําบาป ก, กันต่อเอกบางคนก็ไปยิงนกตกปลาบางคนก็ไปเล่นการพนันบางคนก็ไปประพฤติผิดประเวณีไปเที่ยวสโสเภณีบางคนก็ไปดื่มสุรายาเมาไปไปกระทําบาปกันแทนที่จะเอาเวลาวันหยุดมาทําบุญเพราะวันทํางานมันไม่มีโอกาสทําบุญ วันหยุดก็ไม่ทําบุญวันทํางานก็ไม่ทําบุญแล้วมันจะกําไรได้อย่างไรมือแต่ทําบาปทํางานก็ต้องทำบาปทํางานเดี๋ยวก็ต้องโกหกกันบ้างเดี๋ยวก็ต้องโกงกันบ้างแล้วพอวันหยุดไปเที่ยวก็ยังไปทําบาปต่ออีกแล้วเมื่อไหร่จะได้ทําบุญถ้าไม่ได้ทําบุญเดี๋ยวสิ้นปีเวลาตายนี่เขาจะมาคิดบัญชี ยมมาบาลจะมาคิดบัญชีให้กับเราหรือกฎแห่งกรรมจะมาคิดบัญชีให้กับเราถ้าบาปมีมากกว่าบุญเขาก็จะจัดสรรให้เราไปอยู่ตามที่ต่างๆถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกาย ถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็ไปตกนรกเนี่ยนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัสรู้พวกเรามาวัดเพราะเรามีศรัทธามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงมาทำบุญกันมาลาบบาปกัน เพราะเราไม่อยากไปเป็นเดลฉานไม่อยากไปเป็นเปรกไม่อยากไปเป็นนศรกายไม่อยากไปตกนรกกันเราจึงต้องมาทำบุญวันไหนมีโอกาสมีเวลาว่างอย่าไปทำบาปกันอย่าไปเที่ยวกันมาทำบุญกันดีกว่าแล้วเราจะกำไรชีวิตของเราชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์จะกาไรจะไม่ขาดทุน จะไม่เสียชาติเกิดแต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่เข้าวัดไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าขาดทุนเพราะการกระทต่างๆที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทำนี้เป็นเหมือนกับการขุดทองขุดเพชรนั่นเองถ้าเราทำบุญเรารักษาศีลฟังเทศฟังธรรม ปฏิบัติธรรมนี้เรากำลังขุดเพชรขุดทองกันขุดเพชรมีหลายระดับเพชรระดับสวรรค์ของเทวดาเพชรระดับสวรรค์ของพรหมเพชรระดับสวรรค์ของพระอริยเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ถ้าไม่ได้พบกับพระศาสนาก็จะไม่มีใครสอนให้เราขุดเพชรขุดทองกันก็จะมีแต่คนสอนให้ไปขุดขยะกันไปขุดออของที่เป็นปฏิกูลทางไปขุดอุจจระกันถ้าคนที่ไม่เข้าเข้าหาศาสนานี้จะมีแต่ความหลงที่จะหลอกให้เราไปขุดขยะขุดอุจระกัน โดยที่คิดว่ามันเป็นเงินเป็นทอง<ม>พวกที่ไปหาลาบยศสรรเสริญ<ม>หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เป็นเหมือนพวกที่ไปขุดขยะ ก, กันในกองขยะมันจะมีอะไรวิเศษมันก็มีแต่ความทุกข์ที่พวกเราทุกกันทุกวันนี้เพราะพวกเรามัวไปขุดกองขยะ ก, กันไปหาเงินหาทองกัน หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปแต่งงานกันไปมีลูกมีเต้ากันแล้วสุขหรือทุก์เวลาแต่งงานกันแล้ว อ, อยู่คนเดียวไม่มีทุกข์ไม่ชอบต้องอยู่กับแฟนถึงจะชอบแล้วพออยู่กับแฟนเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับแฟนเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกับแฟนเดี๋ยวแฟนทิ้งเราไปก็ต้องน้องห่มน้องห้า เดี๋แฟนตายไปก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจนี่แหละเป็นกองทุกข์ที่เราไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าเราครนังไปขุดกองขยะกันแล้วนอกจากขุดขยะแล้วยังไม่พอยังขุดขยะด้วยการทำบาปด้วยหาเงินหาทองก็ช่อโกงกันหลอกลวงกันหาแฟนก็บางทีก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อแฟนไปประพฤติผิดประเวณี นี่คือวิธีการทำบาปของพวกเราขุดขยะโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่ากำลังขุดเพชรขุดทองส่วนเพชรทองที่พระเจ้าสอนให้พวกเราขุดพวกเรากลับไปคิดว่ามันเป็นขยะกันไม่อยากขุดกันขยะขยะแยงพอบอกให้รักษาศีลนี่ก็ไม่เอาและพอบอกให้ละเว้นจากการเที่ยวเตะละเว้นจากการเสพ กายามุกต่างๆก็ไม่เอานะเนี่ยขยะขยงทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นของวิเศษกับไม่ขุดกันชอบไปขุดของที่ไม่วิเศษแล้วเป็นยังไงพอขุด ข, ขยะมันก็ได้แต่ความทุกข์เท่านั้นเองชีวิตของพวกเรานี้มีแต่ความทุกข์รอเราอยู่รอบด้านไม่ทุกข์กับเรื่องเงินก็ทุกข์กับเรื่องคนไม่คุกกับเรื่องคนก็ทุกข์กับเรื่อง เหตุการณ์ต่างๆมีแต่ทุกข์ตลอดเวลาเพราะเราเดินเข้าหามันเองเราเข้าหาลาภพอไม่มีลาภก็ทุกข์เข้าหายศพอไม่ได้ยศก็ทุกข์เข้าหาสรรเสริญพอไม่ได้สรรเสริญเราก็ทุกข์เข้าหารูปเสียงกลิ่นรสพอไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ทุกข์กันเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้ากัน ถ้าเชื่อพระทธเจ้าเราต้องนาวัดกันมาทําบุญกันเอาเงินเอาทองที่จะไปเที่ยวมาทําบุญดีกว่าแล้วมารักษาศีลกันละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเสพสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆเช่นเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นต่างๆ คบคนที่ชอบเที่ยวชอบเล่นแล้วก็เกียรติค้านขี้เกียจมาวาดกันขยันไปเที่ยวกันขยันขุดขยะกันขี้เกียจขุดเพชรขุดทองกันพอตายไปก็เลยขาดทุนมีแต่ขยะติดตัวไปไม่มีเพชรไม่มีทองติดตัวไปถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาทําบุญกัน มารักษาศีกันมาปฏิบัติธรรมกันมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเราจะได้ขุดเพชรขุดทองกันแล้วพอตายไปเราก็จะได้เพชรได้ทองติดตัวไปถ้ามีเพชรแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปที่เราต้องกลับมาเกิดเพราะเราไม่มีเพชรไม่มีทองก็อยากจะกลับมาขุดเพชรขุดทอง แต่พอมาเกิดแทนที่จะไปขุดเพชรขุดทองก็ไปขุดขยะอีกเพราะถูกความหลงหลอกว่าเป็ น, เ, ปนเพชรเป็นทองนั่นเองอขุดเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอเพชรเจอทองเจอแต่ขยะหาหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายเท่าไหร่ก็ไม่ได้ความสุขได้แต่ความทุกข์นี่เพนเพราะว่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้ากัน ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้เพชรได้ทองผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมีแต่เพชรมีแต่ทองท่านก็เลยไม่ต้องกลับมาขุดเพชรขุดทองเพราะท่านมีเพชรมีทองแล้วพวกเราขุดเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอเพชรเจอทองเจอแต่ขยะ ก็หลยต้องขับมาขุดอยู่เรื่อยๆตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาหาราบยศสรรเสริญสุขใหม่โดยที่คิดว่าราบยศสรรเสริญสุขเป็นเพชรเป็นทองแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นกองขยะมันเป็นขยะที่ทำให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจต้องร้องห่มร้องไห้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะได้ขยะอยากจะได้เพชรได้ทองขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเถิดคือพยายามหาเวลามาวัดบ่อยๆมามากๆมาทาบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราจะได้เพชรได้ทองติดตัวไปแล้วพอเราได้พอที่เราต้องการเราก็จะไม่ต้องกลับมาขุดเพชรขุดทองอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนหวตายเกิดอีกต่อไป นี่คือเรื่องของวันกำไรบุญวันไหนมีวันหยุดไม่ต้องทำงานอย่าไปคิดขุดขยะ ก, กันคิดขุดขยะ ก, ก็คิดว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีวันนี้จะไปช้อปปิ้งที่ไหนดีต้องคิ ด, ค, ดคิดขุดทองวันนี้เราจะไปอยู่วัดกันดีไหมวันนี้เราจะไปปฏิบัติธรรมกันดีไหมวันนี้เราจะไปทำบุญกันให้คิดอย่างนี้ แล้วเราจะไม่ผิดหวังรับรองได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโกหกพระอริยสงสารกไม่เป็นคนโกหกกิเลสตัณหาของพวกเรานี่แหละเป็นตัวโกหกหลอกให้เราไปขุดขยะอยู่เรื่อยเราจึงต้องมาหาคนที่ไม่โกหกเพื่อที่จะได้มาแก้คนที่มันโกหกเราอยู่เรื่อยต่อไปนี้เราอย่าไปเชื่อกิเลสตัณหาอย่าไปเชื่อความโลภความโกรธความหลง พราะมันจะหลอกให้เราไปขุดขยะหลอกให้เราไปเจอกับความทุกข์ให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เราไปขุดเพชรขุ ด, ดทองกันแล้วถ้าเราเชื่อเราทำตามรับรองได้ว่าเราจะได้เพชรดได้ทองอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องของวันกำไรบุญนี้ให้ท่านได้ไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนาจัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มามันเป็นกันในวนันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุวยันงาสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ